แม้มีอุปสรรคก็ไม่ท้อถอยด้วยความคิดที่เปลี่ยนแปลงไปดังกล่าวถึงงุนกับทําให้ท่านเคยพูเชิงทีเล่นทีจริงกับโยมแม่ของท่านเองว่าแม่เสื้อผ้าที่ลูกเก็บไว้นั้นเอาให้หมู่เพื่อน เอาให้พี่ให้น้องนะถ้าเกิดตอนหลังคิดจะศึกมาจะหาถากเปลืกไม้เอามาใส่แท น, นรอกอย่างไรก็าตามแม้ว่าท่านเกิดความเชื่อความเลื่อมใสในธรรมแล้วและคิดอยากบำเพ็ญตนให้เป็นเช่นนั้นตามเสด็จพระพุทธเจ้าและ พระอรหันต์แต่สิ่งที่เป็นอุปสรรคแก่ท่านในระยะเริ่มต้นก็คือท่านมีความลังเลสงสัยว่าปฏิปทาแนวทางการปฏิบัติที่เราดำเนินตามท่านเหล่านั้นจะบรรลุถึงจุดที่ท่านบรรลุหรือไม่หรือว่าทางเหล่านี้จะกลายเป็นขวากเป็นหนาม เป็นโมฆะและกลายเป็นความลำบากแก่ตนผู้ปฏิบัติไปเปล่าๆอีกประการหนึ่งก็สงสัยว่าเวลานี้มรรคผลนิพพานจะมีอยู่เหมือนครั้งพุทธกาลหรือไม่ท่านได้เก็บความสงสัยนี้ฝังอยู่ภายในใจ เพราะไม่สามารถจะระบายให้ผู้ใดฟังได้และเข้าใจว่าคงไม่มีใครสามารถแก้ไขความสงสัยนี้ให้สิ้นสากไปได้แต่อย่างไรก็ตามท่านเล่าว่าท่านมีความรู้สึกเชื่อมั่นอย่างเต็มใจตามวิสัยของปุถุชน ถึงการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าและการตรัสรู้เป็นพระอาหารหันต์ของพระสาวกท่านความสงสัยดังกล่าวนี้จึงเป็นเหตุให้ท่านมีความสนใจและมุ่งหวังที่จะพบท่านอาจารย์มั่นภูริทตอยู่เสมอทั้งทั้ ท, ที่ก็ยัง ไม่เคยพบเห็นท่านมาก่อนก็ตามแต่เพราะได้ยินชื่อเสียงของท่านมานานแล้วตั้งแต่ตอนเด็กสมัยที่อาจารย์มั่นมาอยู่ทางอำเภอบ้านผืออุดรธานีจึงทำให้รู้สึกเชื่อมั่นอยู่ลึกๆภายในใจว่าท่านอาจารย์มั่นจะสามารถไขปัญหานี้ให้กระจ่างได้